หมอชาวอเมริกันคนหนึ่งเนี่ยอายุยืนมากนะหนึ101่งหนึ่งปีปกติคนอายุเท่านี้นะหรือว่าแค่ก้าสิบกว่านี้ก็ต้องนอนติดเตียงละหรือไม่ฉะนั้นก็ความจำเสื่อมหลงแต่คุณหมอคนนี้นี่อายุร้อยหนึ่งปีเนี่ยก็ยังทำงานอยู่นะรักษาคนไข้เป็นหมอด้านประสาทวิทยาแลวไม่ใช่แค่ รักษาคนไข้เท่านั้นนะยังสอนหนังสือด้วยนะสอนโรงเรียนแพทย์นะที่รัฐโอไฮโอโอไม่ใช่ธรรมดาเลยนะเพราะว่าทำนี้ได้แสดงว่าสมองก็ยังดีอยู่และร่างกายก็ดีด้วยนะก็มีหลานคนหนึ่งนะเขาก็สนใจว่า โปเนี่ยอายุยืนขนาดนี้แล้วยังทำงานทำการได้รักษาคนไข้ได้แล้วก็ยังสามารถสอนหนังสือได้เนี่ยมีเคล็ดลับอย่างไรนะอะไรเป็นเหตุปัจจัยสำคัญที่ทำให้โปูนี่ทำอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าเนี่ยเหตุผลประการแรกนะ ก็คือคุณหมอคนนี้เป็นคนที่ใฝ่รู้เรียนรู้อยู่เสมอไม่ใช่แค่ติดตามความก้าวหน้าทางการแพทย์นะแต่ว่าสนใจเรียนรู้อย่างอื่นด้วยตอนที่อายุ67ปีเนี่ยก็สอบกฎหมายได้นะเรียนกฎหมายแล้วสอบกฎหมายได้แล้วก็ได้เป็นทนายความนะอาอยุ67ปีเนี่ย เป็นหมอนี่งานก็หนักอยู่แล้วนะแถมยังเป็นทนายความอีกนะแล้วก็ไม่ใช่แค่เรียนรู้เรื่องกฎหมายนะแต่เรียนรู้เร่องอื่นด้วยเมื่อคุณปูกแกว้วเนี่ยเป็นความสนใจนะอยากรู้อยากรู้ก็ต้องรู้ให้จริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้สมองเนี่ยนะมีความกระฉับกระเฉงอยู่ อยู่เรื่อยๆนะสมองคนเราก็เหมือนกล้ามเนื้อนะถ้าใช้งานบ่อยๆแล้วก็ไม่ใช้งานมากเกินไปมันก็แข็งแรงกล้ามเนื้อเราถ้าว่าไม่ได้ใช้งานเช่นคนป่วยเนี่ยนอนติดเตียงเนี่ยสองสามอาทิตย์นี่มันก็รีบแล้วละ่ะแขนขาแม้ว่ายัางกินอาหารอยู่ก็ตามสมองคนเราก็เหมือนกันนะถ้าไม่ได้ใช้นี่ มันก็รีบได้นะแล้วก็ต่อไปก็าจะหลงลืมความจำเสื่อมแต่ก็นั่นก็เป็นเหตุผลประการแรกนะที่ทำให้คุณหมอนี่อายุยืนแล้วก็ทำงานทำการได้อย่างกระฉับกระเฉงที่สังเย่า น, นคือเรื่องอารมณ์นะคุณหมอหรือคุณปู่คนนี้เขบอกว่าเนี่ยพยายามไม่หรือว่าไม่ผูกจิตคิด โกรธคิดเกลียดหรือพยาบาทใครเพราะว่าไอ้ความเกลียดเนี่ยนะมันบั่นทอนร่างกายของเรายิ่งกว่าอะไรอื่นนะคนอื่นเนี่ยมาทำอะไรกับเราเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทําร้ายร่างกายเราหรือบั่นทอนร่างกายเราได้มากเท่ากับความโกรธความเกลียดไอ้คุณหมอเนี่ยก็พยายามเก็บความโกรธความเกลียดหรือว่าผูกจิตคิดแทนใครเลยนะ เรียกว่ารักตัวเองมากนะรู้จักแล้วก็รักเป็นด้วยนะคือไม่เก็บไม่หวงไม่แหนนะความโกรธความเพลียเอาไว้อย่างที่เคยบอกแนละ้วไอ้พวกนี้มันคือขยะในใจนะหรือไม่ใช่ขยะเป็นพิษเลยร่างกายเรานี่เวลามีขยะในมือนี่นะโอ้มันอยากจะทิ้งตลอดเวลาเลยทิ้งทันทีได้ทิ้งเลยเช่นทิ้งขง้างนู้นทิ้งออกหน้าต่าง ทิ้ข้างทางอย่างที่เราเห็นกันตามถนนแต่ว่าใจนี่มันกลับหวงกับแหนกับยึดนะขยะหรือพิษในใจไว้เขาก็บอกว่ารักตัวเองรักตัวเองทั้งที่มันเป็นพิษที่ทําร้ายจิตใจแต่คุณปู่คนนี้บอกนี่รู้เลยนะว่าความกวดความเกลียดนี่มันเป็นอันตรายต่อร่างกายนะเพราะฉะนั้นก็ไม่เก็บสะสมเอาไว้ซึ่งมายควต้องรู้จักปล่อยรู้จั ก, กวางหรือก็รู้จักให้อภัยนะ าการต่อมาคือคุณหมอเนี่ยนะแกออกกําลังกายเสมอนะออกกําลังกายเสมออันนี้เป็นเรื่องที่รู้กันดีอยู่แล้วนะว่าการออกกําลังกายนี่มันเป็นยาอายุวัฒนะที่ช่วยทําให้อายุยืนแล้วก็ทําให้สมองนะแข็งแรงจิตใจแจ่มใสด้วยคุณปู่ที่แกออกกาลังกายทุกวันแต่ก็ไม่ได้ออกกําลังกายแบบหักโหมนะเช่นเดียวกันนะ กินอาหารนี่แกก็เลือกกินนะโดยเพพาะผักผ ล, ลไม้ถ้าเนื้อก็กินปลาพวกเนื้อหมูเนื้อไก่นี่หรือเนื้อสัตว์เนี่ยเนื้อวัวเนี่ยกินบ้างเนี่ยเล็กน้อยแล้วก็กินพอประมาณอันนี้ก็ตรงกับที่พูเจ้าสอนนะให้รู้จักประมาณในการบริโภคนะ่เป็นหนึ่งนะในธรรมะนะที่พระเจ้าสอนนะใน สูตรที่รโอวัตปาติโมรูกจักประมาณในการไปบริโภคเราต้องรู้จักประมาณในความสบายด้วยนีพระพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยธรรมะที่ทำให้อายุยืนนึ่คือก็คือรู้จักทําความสบายกับตัวแต่ก็ต้องรู้จักประมาณในความสบายด้วยแล้วการต่อมาที่สําคัญนะก็คือการมีเพื่อนนะมีเพื่อนซึ่งก็อาจจะเป็นคนไวเดียวกันหรือคนต่างไปก็ได้รุ่นแก่เนี่ยตายกันหมดแล้ว แต่แกก็ยังมีเพื่อนชีวิตอยู่นะคือภรรยาเนี่ยอยู่ด้วยกันมา6 6ปีแล้วนะแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันก็คอยเอื้อเฟื้อเจรจุนกันอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะที่ทําให้แกยุยืนเนี่ยแต่จริงๆเนี่ ย, ยอัตมาว่ามันมีที่สําคัญกว่า น, นั้นนะคือการที่ครองรักของชีวิตคู่ได้ยืนยาวเนี่ยนะแกมีหลักอยู่ข้อหนึ่งนะ น่าสนใจเขาบอกเวลาเป็นฝ่ายถูกนะเวลาเป็นฝ่ายผิดก็ให้ยอมรับแต่ถ้าเป็นฝ่ายถูกก็ให้เงียบเสียน่าสนใจนะคนเราเนี่ยตรงข้ามนะคนเราเวลาทําผิดอะไรเนี่ยมักจะแก้ตัวมักจะไม่ยอมรับแต่เวลาเป็นฝ่ายถูกนี่ก็จะพยายามพูดพยายามที่จะโต้เถียงเพื่อให้ฝ่ายหนึ่งยอมรับว่าตัวเองผิดนะ แนแล้วก็เลยทะเลาะบอกแวงกันแต่คุณปูณนี่แกใช้หลักที่น่าสนใจนะถ้าเป็นฝ่ายผิดก็ให้ยอมรับถ้าเป็นฝ่ายถูกนะก็ให้เงียบซะนะเพราะคนเราพอเป็นฝ่ายถูกเนี่ยมันอดไม่ได้นะที่จะพูดที่จะที่จะบอกว่าเธออผิดฉันถูกอันนี้คล้ายๆกับที่คุณหมอประเสริฐนะผลการพิมพ์เคยพูดนะเวลาสามีภรรยาทะเลาะกันเนี่ย อย่าใช้เหตุผลเด็ดขาดนะให้ใช้อารมณ์นะโอ้นี่สวนทางกับความเข้าใจาคนทั่วไปแล้วคุณหมออธิบายว่าเนี่ยวางเหตุผลลงให้ได้แล้วปล่อยให้อารมณ์ขึ้นมาแล้วอารมณ์รักที่เคยมีเนี่ยมันก็จะช่วยแก้ปัญหาเองคุณเราเวลาทะเลาะกันเนี่ยมักจะมักจะอ้างเหตุผลเพื่อ ย, ยืนยันว่าฉันถูกเธอผิดฉันถูกเธอผิดซึ่ง กลับทำให้อีกฝ่ายนีเนย้เกิดความไม่พอใจนะเพราะว่าเหตุผลเนี่ยมันเอามาใช้เพื่อไปต่อว่าคนอื่นอีกฝ่าย ก, ก็ย่อมไม่พอใจก็ย่อมเถียงนะว่าฉันถูกต่างหากเธอผิดแล้วก็เลยเถียงกันไปเถียงกันมากลายเป็นการใช้เหตุผลเพื่ อ, อโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งคนเราก็ยอมไม่ยอมอยู่แล้วที่จะถูกโจมตี ก็ต้องหาทางแก้ตัวบางทีก็อ้างโน้นอ้างนี่เพื่อจะชี้ว่าเธอผิดอาจจะไม่ใช่เรื่องนี้แต่เป็นเรื่องนั้นเรื่องโน้นขุดคุ้ยขึ้นมาเสร็จแล้วก็เลยทะเลาะวิวาทบานปลายแต่คุณปกนิ้แกพูดน่าสนใจนะถ้ า, าว่าเราเป็นฝ่ายถูกนะให้นิ่งเงียบไว้ก็คล้ายๆกับที่คุณหมอประสิฐพูดนะก็คือว่าให้ความเข้าเข้าใจเนี่ยมัน มาทำงานแทนนะความรักยิ่งถ้าเราเป็นฝ่ายถูกเท่าไหร่เนี่ยนะเลิกใช้เหตุผลเลยนะเงียบเอาไว้ไม่ต้องโตเถียงเพราะว่ายิ่งพูดไปมันก็ยิ่งทำร้ายจิตใจหรือทำให้กระแทกอัตตา อ, อีกฝ่ายหนึ่งนะอันนี้นอกจากการที่จะไม่พูดนะหรือการที่จะเงียบได้เนี่ยมันก็ต้องมีนะไม่ใช่แค่ความขันติอดทนอย่างเดียวนะมันต้องมีความรักความเห็นใจ นะความเป็นห่วงเป็นใจความเข้าใจอีกฝ่ายด้วยเพราะรู้ว่าถ้าเราพูดไปมันก็จะไปทำร้ายจิตใจเขาพอไ ป, ไปยืนยันว่าเนี่ยเธอผิดฉั้หักฐานที่ถูกนะก็ต้องใช้ความรักเนี่ยมันมาช่วยนะหรือความเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งมาช่วยรักษาใจของเราไม่ให้อัตตามันพองโตหรือว่าใช้เหตุผลเพื่อมาปกป้องอัตตาของตัวว่าฉันถูกฉันถูกฉันถู ก, ถกเธอละผิด นั่นคำแนะนำของคุณหมอรประเสริฐก็ดีคำแนะนําของคุณปุ๊กคนนี้ก็ดีน่าสนใจมากนะซึ่งมันก็เอามาใช้ได้ไม่ใช่เฉพาะกับสามีภรรยานะแต่ว่าใช้ได้กับความสัมพันธ์อย่างอื่นด้วยพ่อแม่ลูกหรือว่าเพื่อนร่วม ง, งานนะทำไม่ได้ง่ายนะเวลาเป็นฝ่ายผิดก็ให้ยอมรับเนาะยอมรับว่าผมผิดฉันผิดขอโทษแต่เวลาไม่นฝ่ายถูกก็เงียบไว้นะไม่ต้องมาโพธนาหรือเอาเหตุผลตัวเนี่ยไป ไปวิพากวิจารณ์คนอื่นว่าเขาผิดตัมทหาที่ถูกอันนี้มันมีแต่ทาให้เกิดความร้าวฉานแล้วก็อยู่ด้วยกันได้ยากแม้จะมีความรักกันมีความเข้าใจกันแน่ดีก็ตาม